ฟังควม่มฟังธรรมะธรรมโเราจะทําความเห็นให้ถูกให้ชอบเรจะเป็นยาเป็นยาบำบัดบำบัดโลกใจบำบัดทุกข์ท่างใจใจเป็นโลกนั่งเข้าที่สบายสบายนำภาวนาฟังธรรม กัวทับขาส่ายจะนั่งพระเพียบสบายสบายแต่ว่านั่งคัดสมาธิเนี่ยมันมันตรงดีมันเป็นถ้าหาว่าเครื่องยนตเรียกว่าเข่าศูนย์ทวงให้มันตรงพรังมหัดนางพลังขาย้าวนางยากที่แหลม ไปฝึกมากเเขากับนั่งได้ขัดสมาธิสองชั้นขัดสมาธิเพชรถ้าขัดสมาธิเพชรต้องเอาขาไา้ขึ้นมาทับขา ข, าขวาก่อนยิงเอาขาขวาขึ้นทับขา้ายจะเหมือนกันกันกบพระพุทธรูปหลวงพ่อเพชรที่จังหวัดพิจิตร จะเห็นพระบาททั้งสองทางอันเรียกว่าขัดสมาธิเพชรเพราะในเบื้องต้นที่พระสิทธะยังไม่เด็ดสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าอธิษฐานนั่งที่โพธิบันลังหรือบันลังที่นั่งที่โค้นต้นสีมหาโพธิ นั่งคัดสมาธิเพชรแล้วก็อธิษฐานในพระหฤทัยของพระองค์ว่าถึงแม่เรือดเนื้อเชื่อไขจะเหียแห้งไปเดี๋ยวตหนังหุ่มกระดูกก็ตามที่ถ้าหาว่าไม่ได้บรรลุสมาสัมโพธิญาณจะไม่ยอมลุกหนีจากสถานที่นั่น ที่นั่งนั่นเรียกว่ามอบกายถวายชีวิตล้งกับที่นั่งกับการนั่งถ้าหาว่าเป็นกลัวว่าจะได้อยู่รรมเห็นรรมเขาใจในธรรมอันชอบแง่แหละนั่งคัสสมาทิเพศเมื่อเวลาทุกเขเวทนามันเกิดขึ้น เรียกว่าทุกแสนสาหัสหพระองค์นั่งคัดสมาธิเพชรเรียบร้อยตั้งพระารุไทที่ตั้งใจของพระองค์กำหนดรูหน้าปานาสตินิสตริรูร่มรูร่มปานรูร่มหายใจเข้าหายใจออกเขาเท่านั้นเป็นการเป็นงานเป็นเครื่องรู เป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องรูปของใจหมายอารมณ์หายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นเองแมเมื่อมันเกิดทุกขเวทนาในความม่านะยะมาราธิระขันธมานก็รุ่มเขามานสังขารม่านก็รุ่มเขามานเอวัพุทธมานก็รุ่มเขามาน ม่านที่เป็นเทวบุตรเทวดาที่เป็นม่านรุ่มเขามารบเรีวยว่าทุกแสนสาหัสที่พระองค์สะดุ้งม่านจึงพระบาทลุดออกมาเป็นสมาธิสองชัน้นเรีวยกว่าพระหัตถ์ขวาที่ว่างซ่อนอยู่กับพระหัตถ์ซ้ายจึงลุดออกมา เรียกว่าชีนิ้วพระหัตร่องที่พื้นเทรณนี่เรียกว่าเอาเทรณนี่คือแผ่นดินเป็นพยานในการบำเพ็ญคุณงามความดีสร้างคุณงามความดีเรียกว่าหม้อกายถวายชีวิตร่งเรียกว่าแผ่นดินเนี่เป็นพยาน เกิดตายเกิดตายทับทมแผ่นดินอยู่นี่ไม่รู้กีชาติกีหนแล้ในการสามบา ร, รมีบำเพ็ญบา ร, รมีแอนจริงว่าเกิดนี่นั่งทรณี่รีดมวยผมไอ้น้ำเรียกว่าน้ำก็เป็นน้ำบา ร, รมีของพระพุทธองค์อ น, นี่เป็นธรมมธนนธรมมาธิฐานแสดงเป็นธรรมมาธิฐาน แ, แสดงเป็นปุกรร่าทิฐานกัเดวนาบที่ น, นั่งเทลนีเอามวยผมลองรับน้มที่พระโพธิสัตว์รังทักซิโนโทกที่ตรวจนม้มอุทิศหมายท่านแต่ละคังละคังไปร่วมอยู่ในมวยผมของ น, งนั่งเทลนีถึงรีบเอามานเดว่ามากมหาศาล จนกลายเป็นมหาสมุทรการสร้างบา ร, รมีการทำท่านทาคุณงามความดีมากมากมากกายกองถึงขนาดนั้นแหละเป็นกุคราธิฐานเป็นธรรมาธาธิฐานก็นเรียกว่าเป็นคุณธรรมที่พระองค์สร้างสมอบรมมากมากต่อมากพระองค์ถึงได้ะระลึกถึงบา ร, รมีที่ได้กระท่า ท่านจึงเรียกว่าเอาชนะพยมานมาราธิราชได้ด้วยการมอบกายถวายสิบีตลงต่อบรรลั่งที่นั่งนั่นเมื่อมอบเป็นมอบตายแล้วนั่นแหละคิดเึงนแนวแน่ลงสู่ข้อมตังมันได้ หมดหนทางไปเพราะฉะนั้นคณะนี่เดียวนี่พวกเราท่านทั้งหลายได้มาสร้างความดีลงเพ็ญมุลกุศนคุณงามความดีด้วยการกล่าวสรรเสริญคุณของพระผู้ชเจ้าระท ร, รมและพระสงค์ แต่ว่าพุทธานุสติแล้วมีสติกำหนดตามละลึกรูปให้คุณของพระพุทธเจ้านับตั้งแต่อิติปิโสภควาระหังสมมาสัมพุทโธวิชัยจรณะสัมปนโนสุขโตโรกวิทูอนุตรโรปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานัง พุทโธพระควาติพระคุณของพระพุทธเจ้าทั้งเก้าประกาศเราน้อมเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราน้อมจิตน้อมใจความรู้ของเราเนี่ยน้อมลงสู่ความบริสุทธิ <c> ์ <oughs> เนือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสตสรู้ชอบโดยพระองค์เอง ถึงพร้อมด้วยพระคุณตามที่เราเซนเลร์เซิร์นนี่เป็นการน้อมกายน้อมวาจาน้อมกายกราบไหว้น้อมวาจากล่าวน้อมใจต่างระลึกให้ซึ่งในพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ประกอบด้วยพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์คุณและพระมหากรุณาที่คุณ น้อมพระคุณทั้งหลายเข้ามาสู่ใจคือความรู้รู้ของเราอยู่ทนานี่เดียวนี่รู้พุทโธพุทโธนี่พุทโธรู้พุทโธตื่นพุทโธเบิกบานนี่น้อมความรู้น้อมความตื่นน้อมความเบิกบานเข้ามาสู่ใจของเรา ให้เป็นสัญญาในเบื้องต้นเป็นการอนุมานน้อมถึงพระคุณเมื่อน้อมเข้ามาจดจอ่อจดจอ่ออยู่เรื่อยเรื่อยใจของเรารวมความรู้นี่ไม่ส่งไปตามสัญญาอารมณ์เรียกว่าตัดกระแสอารมณ์ เรื่องที่ผ่านมาเรากระแสะอารมณ์แห่งอดีตจะเป็นเรื่องจะเป็นเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องยุ่งยากเรื่องสบายเรื่องพอใจไม่พอใจอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการผ่านไปแล้วเป็นข้างหลังไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วไม่ใส่ใจ แล้วก็ตัดกระแสอนาคตจิตใจส่งไปคิดไปปรุงเรื่องข้างหน้าจะเป็นอย่างน่นจะเป็นอย่างนี่น จ, ะนนจะดีอย่างน่นจะร้ายอย่างนี่ไม่ต้องไปตามปรุงตามแต่งรู้มาปัจจุบันขณะ น, น, นี้เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเรา ผู้รู้อยู่ที่ใจของเราพระธรรมอยู่ที่ใจของเราผู้ตื่นพระธรรมคือผู้ตื่นพระสงฆ์คือผู้เบิกบาน ร, รู้ตื่นเบิกบานใจของเราเบิกบานนี่เรียกว่าน้อมอธิษฐานเอาพระพุทธเจ้าพระทับไว้ที่ใจพระธรรมที่เป็น คำสอนที่ชอบก็อยู่ที่ใจของเราพระอริยสงสาวกผูป้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ประพฤติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติออกอจากกิเลสอาสะวะทั้งหลายอยู่ที่ใจของเรานี่น้อมพระพุทธพธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจของเราแล้ว กำหนดรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้แนว่วแนว่แต่แกระแสธรรมเสียงธรรมก็จะสัมผัสมีหูมีหูเป็นใหญ่ในการสัมผัสเสียงเรียกว่าโสตประสาทประสาทหูรับเสียงมีใจใจที่มี พุทโธธรรมโมสังโฆนรู้อู้เสียงสัมผัสนั่นรู้เรื่องราวที่สัมผัสด้วยเสียงน่ให้จดจ่อสนใจอยู่กับความรู้คือใจของเรานั่นแต่ส่งความรู้ออกมาหาปากผู้เทศหาเสียงผู้เทศ ้มาวิจัยวิจาร์ตามเสียงอย่างนั้นอย่างนี้ต้องปล่อยใจออกมารู้ตามนี้ให้รู้อยู่ที่ผู้รู้คือใจของเรานั่นแหละที่เราตั้งให้รู้ <c oughs> เรียกว่าฟังธรรมด้วยการปฏิบัติคือปฏิบัติต่อใจวำงใจ ใจฟังมโนปุพังขมะธรรมามโนเศษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นมหาเหตุมหาผลอยู่ที่ใจทั้งนั้นไม่ต้องท่งไปว่าอยู่อดีตอนาคตอยู่ที่นู้นที่นี่รู้ ที่ใจหายใจเขา้ารู้ที่ใจหายใจออรู้ที่ใจมีสติประคับประคองความรู้และความเห็นให้อยู่ที่ตรงกลางหน้าอกของเราหรือตรงปลายจมูกหายใจเขา้าหายใจออกลมสัมผัสกับดั้งจมูกกับปลายจมูกของเรานี่เดียว่าเป็นวิธีการหรือเป็นอุบายในการ ปฏิบัติสมา ธ, รรมมาธิภาวนาหรือว่าเจริญสมถะธรรมคือการพยายามทําใจของเราให้รวมเข้าสู่ความสงบอันหนึ่งอันเดียวให้ได้เรียกว่าปฏิบัติเจริญสมถะธรรมแล้วก็เมื่อมันแน่วแน่และไม่ยากถ้าสติถึงพร้อม ไม่ข้างไม่เผออไม่ทรงข้างหน้าข้างหลังรู้อยู่ปัจจุบันรู้อยู่กับงานหรือว่าทำงานอยู่กับงานที่ให้ทำนี่รู้อยู่กับที่ให้รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแหละทีนี่ฐานแห่งปัญญาสัญญาก็จะกลายเป็นปัญญา ขึ้นมาได้ในการที่จะวิจใจหรือรู้สภาวะทั้งหลายตามเป็นจริงบางทีเสียงธรรมะที่พูดไปสัมผัสกับกิจใจของเราก็จะเกิดเป็นปัญญาจากการได้ยินได้ฟังเรียกว่าสุตมยะยปัญญา<ม>แล้วก็จะขยาย ให้เกิดความละเอียดละ อ, อเข้าไปจนทำให้สิ้นสงสัยภายในจิตใจของเราได้ีเรียกว่าภาวนามยปัญญาเพราะฉะนั้นตั้งสติรู้ใจอย่างเดียวเท่านั้นแหละไม่ต้องทรงข้างหน้าข้างหลังธรรมะเป็นเครื่องอบรมใจหรือว่า ใจเป็นใหญ่ในสิ่งทั้งหลา ย, ท, ลายทั้งปวงนี่ก็กลมกลืนกันอยู่นี่แหละถ้าหาว่าไม่มีใจนี่แล้วมีแต่ดินน้ำไฟลมไม่มีไม่มีท่ารู้ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นนั่นเป็นนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหา ดินก็อยู่ตามสภาพของดินน้ําก็เป็นสภาพของน้ําไปโรงไฟเป็นสภาวะธรรมของแต่ละอย่างละอย่างไปแต่ที่ใจเป็นธาตุรู้เนี่ยเพราะมีใจเนี่ยเพราะมีความรู้มีสภาวะแห่งความรู้เป็นเป็นเหตุให้รู้สุขรู้ทุกข์เกิดมีความ สุขความสบายความเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความคับแค้นความอึดอัดใจอึดอัดใจขับแค้นใจเพราะปราถนาสิ่งที่ปราถนาไม่เป็นไปตามความอยากความปราถนาจึงเกิดความคับแค้นใจอึดอัดใจอยากได้สิ่งนี้อยากให้เป็นอย่างนี้ไม่เป็นไปตามความอยาก ไม่ได้ตามความอยากให้เป็นก็อึดอัดใจคับแค้นใจความอึดอัดใจความคับแคนใจนั่นก็เป็นทุกข์เปลี่ยนจากอึดอัดก็เป็นโศกเศร้าเสียใจเป็นทุกข์ท่านจึงบอกเรื่องความทุกข์ไว้ในอริยสัจอริยสัจจะ ทุกขะคือความจริงตังโขปนิดังทุกขังอริยสัจจงความทุกข์นี่แหละเป็นความจริงเป็นสัจจะเป็นความจริงของทุกข์ที่มีอยู่เกิดอยู่ชาติปีทุกขาเนี่ยชาติความเกิดมีขึ้นเนี่ยเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยต้องมาสัมผัสรับรู้ อบความร้อนความเย็นความได้ความเสียความเสียอกเสียใจเป็นทุกข์เป็นวชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรน้ำปิทุกขังเนี่ยความแก่เม่ความตายเป็นทุกโศกปริเทวะความโศกความร่ำไรความรับแย่นใจความไม่สบายใจเขาเป็นเหตุให้เป็นทุกข์ เนเป็นทุกข์หนงเป็นผลแล้วก็มีใจน่ะเป็นผู้รู้ความแก่ความเก็บความเกิดก็ใจเป็นผู้รู้ความเสียอกเสียใจตัใจรู้ที่เรารู้ว่าเสียใจมีความเสียใจนันก็เกิดความโศกเศร้าก็เป็นทุกข์เป็นปัญหาอยู่ที่ มีใจเพราะฉะนั้นจึงต้องศึกษาธรรมะหรือนำธรรมะมาเป็นข้อปฏิบัติหรือมาพินิษพิจรารณามากำหนดรูมาแยกมาแย่เพื่อให้รู้ให้เข้าใจในเหตุและผลต่างๆอันดาที่เกิด ขึ้นมีขึ้นสัมผัสกับใจใเมื่อทุกทุกนี่มันเป็นผลสมุทัยเหตุให้ทุกเกิดท่านก็นจึงแสดงเหตุมันมีเหตุจึงมีผล <c oughs> เหตุคืออะไรตังโขปนิดัง ดุขสมุทโยอริยสัจจ์เหตุให้เกิดทุกข์ได้ แ, แก่กามตัญหาภาวะัญหาวิภวะัญหากามตัญหาความอยากความอยากความไข่ความปารธนาในความสัมผัส ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสิ่งที่ให้เป็นรูปเกิดมารปราธนาอนี่เรียกว่ากา ร, รมตัญหารูปสิ่งที่พอใจรูปสวยรูปงามรูปขี้ายขี้เลออันนี้เป็นเป็นการเป็นบ่อกเกิดของตัญหา เรียกว่าเรียกว่ากามติหาทั้งนั้นของที่พอใจก็เป็นการมตัิหาของไม่พอใจก็เป็นการมตัิหาเป็นความไข่ความยินดีไม่ยินดีตามความอยากแต่ท่านจึงแยกออกไปอีกเป็น ภวตันหาวิภวะตันห า, ว า, วนหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นในสมมุติทั้งหลายอยากได้อยากมีเงินทองเข้าคลองเครื่องใช้ไม่สอยเครื่องประดับประดาที่อยู่ที่อาศัยเวียนชานบ้านช่องนี่เรียกว่าเป็น กามตัญหาทั้งหมดพอท่านแยกออกมาว่ามันเป็นกิเลสคำว่ากามตัญหาเนี่ยแก่กิเลสกามวัตถุกรมแต่ว่าตันหาความอยากในสิ่งที่ไม่เป็นวัตถุในสิ่งที่เป็นนามคือความสุขความสบายความสุขใจใจสุขสบาย นั่นกเป็นทันหาเป็นกรมตันหาเหมือนกันนี่ความทุกข์ความรับแค้นใจความไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นนามไม่เป็นวัตถุอันนี้เรียกว่าเป็นกิเลสกามวัตถุกรรมก็สิ่งที่สมมุตรกัน อยากได้อยากล่ำอยากรวยอยากได้เงินได้ทองเข้าของเยอะๆมากๆอันนี้เป็นวัตถุกลามอยากได้บ้านหลังใหญ่ๆโตๆหลังสวยๆงามๆอยากได้อยากมีผ้าปานท่านสบายเครื่องนุ่งเครื่องห่มสวยงามราคาแพงอันนี้เรียกว่าวัตถุกลาม สิ่งเหล่านี้แหละเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทางนั้นเกิดความทุกข์เกิดความริ้นรนเมื่อมีความอยากความใคร่ความปรารถนานั่นเรียกว่าการมาราคะคือความใคร่ในสิ่งที่ต้องการนั่นต้องการในรูปรูปสวยรูปงามต้องการใคร่ในรูปไม่สวยไม่งาม ก็อันเดียวกันเพราะท่านท่านจึงว่าคำว่าราคะคือความไข่ความกําหนัดยินดีพอใจรวมกันคือจิตนี้มันไปจอ่อจิตนี้มันไปจ่อเป็นอุปทานซ้ำประยุต์กับสิ่งที่เกิดความอยากขึ้นมานะั้น อยากมีอยากเป็นที่ท่านก็แยกออกมาเป็นภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากไม่ให้มีไม่ให้เป็นรวมแล้วก็เรียกว่าเกิดจากความอยากในเบื้องต้นถึงเป็นเหตุให้เป็นทุกข์นี่เรียกว่าทุกข์มาจากเหตุเหตุ คือสมุทัยทุกเกิดที่นี่มันมีทางที่จะดับทุกคือปฏิบัติให้ทิ้งความดับทุกคือต้องดับเหตุหรือว่ารู้เหตุละเหตุจะไปละเหตุนั่นได้จะไปละเหตุจะไปดับเหตุนั่นได้นั่นก็ต้องมีเหตุอีกเหมือนกัน เรียกว่า ร, รมเหตุให้เกิด ร, รมให้เกิดเหตุที่จะดับทุกข์ได้กันจึงเรียกว่ามรรคะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติมรรคมีองค์แปดมีมรรคมีองค์แปดสมาทิธิ สัมมาสังกปรสัมมาวาจาสัมาทิฏฐิสัมมาสังกปเป็นเรื่องของใจ เ, เรื่องความรู้ความเห็นของใจเกิดจากใจอันนี้เป็นส่วนแห่งปัญญาปัญญาที่หยาบและละเอียดสัมมากัมมันโตสมาชิว สัมมาวาจาสัมมากรรมโตสมาสีโวอันนี้เป็นส่วนเกี่ยวกับกายกับวาจาสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นเรื่องของใจเรื่องของใจมีความเพียรพยายามปฏิบัติสู้ไม่ท่อถอยนี่เช่นกำหนดรู พุทโธุทโธนไม่ท้อถอยมันไม่อยากลูกไม่อยากแลลึกไม่อยากกำหนดพอเพ่งเข้าไปกำหนดเข้าไปตั้งใจเข้าไปจอเข้าไปนี่นเรียกว่าเป็นฌานการเพง่งการจดจอนี่เป็นความเพียรนี่เป็นเรื่องของใจสัมมาวายโมมีความเพียรชอบสัมมา สติความระลึกแต่ระลึกให้มันต่อเนื่องกันกำหนดส่วนไหนก็ให้มันระลึกให้มันรู้อยู่ต่อเนื่องมีความระลึกรู้ในใจไม่เผลอเมื่อจะคิดก็มีสติระลึกรู้มันสุขมันทุกข์สัมผัสใจมีสติระลึกรู้เท่าทันแต่ทำความเข้าใจว่า ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาทั้งนั่นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนาฮความเป็นตัวตนไม่ทำความรู้ความเห็นให้เข้าใจอันนี้เิจิตีว่าเป็นเรื่องของปัญญาอนนี้ใน ส่วนของจิตคือสมาธิสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาวายามะของเพียรก็เป็นเรื่องของจิตเพียรพยายามความระลึกก็เป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของนามธรรมไม่เป็นรูปเป็นผู้ระลึก ความตั้งมั่นก็เป็นเรื่องของใจตั้งมั่นแน่วแน่ีเรียกว่าตั้งมั่นแน่วแน่ในงานในงานภาวนาในการฝึกใจเพราะฉะนั้นจึงให้นั่งแล้วก็กำหนดใจใหายใจเข้ารู้พุทหายใจออกรู้โทเอาให้ได้สักห้านาทีสิบนาทีใจมันจะวุ่นวายยังไงก็ พรมด้วยสติความระลึกรู้รอบรู้ด้วยปัญญาฝึกไปฝึกไปแล้วมันจะเผลอมันจะลืมไปกำหนดเข้ามาพอพุโทโธพุโทโธไปมันไปเรื่องอย่างอื่นกำหนดรูปพอรูแลรวรึได้กำหนดมารูปพุโทโธเอาพุโทโธเป็นหลัก สู้กันรมลุกคุกคานมีความเพียรไม่ถอยไม่ถอยหลังมุ่ง ม, มั่นเมื่อทำอยู่ <c oughs> ไม่หยุดไม่อย่าทำอยู่เรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนี่แหละเป็นทางที่จะทำให้ความวุ่นวายของจิตใจสงบระงับไป จะเกิดความสงบเกิดความรู้ความจริงมันจะปล่อยจะวางจะมีความสุขด้วยการรู้ความจริงแล้วก็ปล่อยวางนีอาศัยมรรคปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติท่านแสดงไว้ทั้งแดอย่างรวมลงมาก็เป็นศีลสมาธิปัญญารวมลงมาเป็นเรื่องของกายกับใจใจกำหนดรู้ความเคลื่อนไหวของกาย ใจมีปัญญารู้รอบพิจารณาให้เข้าใจกับความเคลื่อนไหวของของความรู้เคลื่อนไหวต่อกายรวมทั้งหมดในกายก็มาที่นิดพิจารณามากำหนดรูปการ32ดังที่เราสวดสาธยายกายกายคตาสติ ยังโผเมกาโยกายของเรานีแรอุดทางปาทัตตาเรื่องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสามัตตาเรื่องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะบริยนโตที่เราสวดว่ากําหนดลูกจากปลายผมบนศีรษะลงไปถึงพื้นเท้านันก็มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดในกายของเราแล้วองมีขนมีผมเกิดขึ้นบนหนังนี่ย มีภายนอกกำหนดรูปภายนอกกำหนดรูปภายในเข้าไปจนถึงกระดูกเยื่อในกระดูกเบื้องภายในมีเยื่อในกระดูกเป็นที่สุดภายนอกมีหนังห้อมอยู่นี่คือเอากายเป็นมักเอากายเป็นมักเอากายเป็นที่ตั้งแห่งการพินิษฐพิจารณา เนี่ยเข้าใจความจริงก็เรียกว่าปัญญาความแจมแจ้งเกิดขึ้นทำความรู้และความเห็นเห็นตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เห็นตามที่ได้พิณิพิจารณาเข้าใจด้วยใจของเราเองว่ามันเป็นรวมลงสุดท้ายมันเพียงเป็นธาตุดินธาตุ น, น้ำนี่คือการภาวนาเอากายเป็นที่ตั้ง เขากลายเป็นเป้าหมายแห่งการกําหนดรูปนี่ในส่วนรูปใหมารูปกายรูปใจรนะวมข้อปฏิบัติลงมาให้มารูปกายรูปใจรูปใจคือรูปความรูปรูปผู้รูปผู้รูปนี่มันมีสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นมารูปเท่า สัญญารู้เท่าสังขารรู้เท่าวิญญาณคือความรับรู้รับทราบจากสิ่งที่สัมผัสทางตาหงจมูกลิ้นกายใจนี่รวมลงมาอยู่ในที่นี่นี่มักปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติเพื่อจะทำความรุ่มหลงให้สิ้นสุด เกิดเป็นความรู้แจ้งแทงตลอดแล้วก็เป็นความสุขเป็นความสุขเป็นความเบาความไม่มีตัวตนความปล่อยความวางไม่มีอุปทานเข้าไปยึดว่าเป็นนั่นเป็นนี่ถือเป็นนั่นเป็นนี่มันก็ว่างมันก็เบามันก็สบายจิตใจเนี่ยสิ่งได้เกิดขึ้นเกิดขึ้นเราดูตามความเป็นจริง รู้ทุกข์ตามความเป็นจริงจริงลู้อันนี้จังความไม่เที่ยงตามความเป็นจริงรู้ทุกข์ทั้งรู้อนัตตาตามความเป็นจริงเท่านั้นนะมันด้หลงสมมุติบัญญตัติไม่ได้หลงเข้ามาเป็นตัวเป็นตนทุกข์ก็มไม่มีเพราะู้ความจริงแห ล, ละแ่บนี่เป็นทุกข์มันก็วางไปนี่ถ้าหาว่าเราปฏิบัติได้ สร้างปัญญาหรือว่าจเจริญมรรคเดินมรนมรคคือการพินิษพิจารณาสร้างปัญญาให้ละเอียดขึ้นมาแล้วก็จะรูปความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างทุกทั้งหลายก็ดับไปเพราะความอยากสมุทัยคือความอยากไม่เกิดขึ้นก็รูปสิ่งนี้ก็ เป็นอนิจจังเป็นทุกข์ทั้งทนี้ก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนมันเลยไม่เกิดตัญหาคือความอยากจะให้เป็นอย่างมุ่นอย่างนี้เพราะรู้ตามความเป็นจริงแล้วเมื่อปัญหาไม่มีทุกข์ก็มไม่มีนี่ท่านจึงว่าระสมุทัยหรือดับทุกข์คือดับปัญหาคำ ว, ว่าดับดับก็ไม่ได้ดับไปที่ไหนแหละคือรู้ความจริงแล้ว ความอยากมันก็ความอยากที่ผิดจากความจริงมันไม่เกิดขึ้นเพราะมันรู้ความจริงเห็นความจริงแห่งสภาพสังขารรูปร่างกายจิตใจเนี่ยเป็นสภาวธรรมตามเป็นจริงนี่ก็มาเข้าใจในอริยสัจ ธ, ธรรมทั้งสี่ คือธรรมวัตทุสมุทัยมีโลดมากซึ่งเป็นสัจจะเป็นความจริงนี่มารู้ด้วยข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาเมื่อมารู้เท่าทันตามเป็นจริงแลนีความโลภ ความโกรธความหลงก็ไม่มีเพราะมันแจ้งมันสว่างแล้วอยาว่าอะไรมาหลงจะหลงเพราะเหตุอะไ ร, ารตามเป็นจริงทั้งหมดแล้วนี่ที่จะรู้ความจริงเราเนี่ว่ารู้ด้วยการภาวนารู้ด้วยการประพฤติปฏิบัติคือการเจริญปัญญาเนี่ยแหละ จเจริญสติสมาธิปัญญานี่มารู้เท่าทันตามความเป็นจริงมันก็ไม่เกิดความอยากความไข้ความกำหนัดความวิตกวิจารไปกับความได้ความดีความมีแต่ก็อาศัยความมีนั่นแหละที่ปฏิบัติอยู่ใน ถ้าภาวะแห่งสมมุติเนีราปฏิบัติไปหรือทําไปทําการทํางานแล้วก็ทําไปเป็นการงานชอบตามหลักของอริยมรรต์สัมมาคัมมันโตการงานที่กระทําตามสมมุติก็ทําเป็นการงานชอบไม่เป็นการงานที่เบียดเบียน คือทุกอย่างมันเป็นความชอบไปหมดม ป, ปัญญาเห็นชอบปัญญาเห็นชอบปฏิบัติตามธรรมคือความชอบทั้งภายนอกและภายในนี่มาจากเรื่องของใจมาจากใจเป็นมหาเหตุเป็นมหาฐานทั้งหมดเพราะฉะนั้น ข้อปฏิบัติที่เป็นเครื่องอบรมใจเราจรึงต้องน้อมเข้ามาสู่ใจหรือน้อมใจให้มีเจตนาจงใจประพฤติ ป, ปฏิบัติตามธรรมะตามธรรมที่เป็นของจริงหรือเป็นสิ่งที่ พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้ชอบคือศีลสมาธิปัญญาจึงต้องมาละบาปละบาปทางกายทางวาจาทางใจนี่แหละปฏิบัติปฏิบัติให้เป็นศีลให้เป็นธรรมแลปฏิบัติต่อจิตใจของเราเพราะใจเป็นผู้บงการ ใจเป็นผู้มีอำนาจเหนือกายเหนือวาจาวาจานี่กล่าวไปตามความบ่งการที่ออกมาจากใจจะกล่าวดีหรือไม่ดีเมื่อการกล่าววาจาที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่เป็นโทษเราก็รู้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วว่ามันเป็นบาปมันเป็น เหตุให้เกิดความทุกข์การกล่าววาจาที่ไม่ดีวาจาที่หลอกลวงอําพางโกกดมดเท็จเหล่านี้แล้วก็ตั้งใจเว้นตั้งใจงดเว้นปฏิบัติเพื่อการงดเว้นงดเว้นได้ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่มีบาปไม่ทำบาปทางวาจาทางกายก็เช่นกัน าการฆ่าการรับการประพฤติผิดมิจฉาจาร์อันนี้มันเป็นบาปทงกายเกี่ยวกับกายแต่ว่ากายเขาไม่ได้บาปอะไรแหละแต่ว่ามันเป็นเชื่อเป็นสื่ออาศัยกายเป็นเหตุเป็นเครื่องมือที่จะเป็นบาปก็เข้าไปหาใจนั่นแหละไปหาตัวประธาน หามหาเหตุคือใจเมื่อเราเอากายนี่ไปฆ่าเขาไปทําลายเขาแล้วกายก็ไม่ได้มีบาปอะไรกายไ ม, ไม่ได้เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรใจใผู้รู้ว่าเราทําบาปเราไปฆ่าไปทําลายเป็นผู้กระสับกระส่ายเป็นผู้ลุกลี้ลุกลนเป็นผู้เร่าร้อนเป็นผู้ร้อนจึงหว่าเสวยบาป ไว้บากจากการกระทาเหตุที่เป็นบาส่วนกายเขาไม่ได้เป็นอะไรล่ะกายมันประกอบอยู่ด้วยเนื้อหนังเอ็นกระดูกมันเป็นธาตุเพราะท่านจริงว่าธาตุนี่เขาเป็นธาตุบริสุทธิ์เขาไม่มีบุญไม่มีบาอาจ ด, ดินดินกับมมีบุญไม่มีบากน้ากับมันมีบุญไม่มีบา ร่มไม่มีบุญไม่มีบาปไฟไม่มีบุญไม่มีบาปผู้จะมีบาปมีอยู่ที่ใจนั่นแหละอยู่ที่ธาตุรูนั่นแหละคือใจแต่โดยธรรมชาติเขาก็ไม่มีบาปอีกเหมือนกันธาตุรูแต่ขณะที่มันยังหลงอยู่นี่มันยังมีบาปเข้าไปแทรกสิงคือความเร่าร้อนวุ่นวายทับแคนงเอื้อยอัดอัน่นตันใจความทุกข์ใจ เกิดจากการกระทําทางกายที่เป็นบาปมันมันเป็นเชื่อที่จะให้บาปเข้ามาสู่จิตใจอแต่ก็ออกมาจากใจนั่นแหละเป็นผู้สั่งการให้กระทําอีกนั่นแหละเมื่อทําแล้วเมื่อมันออกมาจากใจเมื่อทำํำทางทางกายให้กายทําบาปแล้วเพราะฉะนั้นบาปมันจึงสะท้อนเข้ากลับคืนไปสู่ใจอ ากายไม่ได้เป็นบาปเนื้อนังมังสังเขาไม่ได้เป็นบาปอะไรถึงการเวลาที่เขาแตกแยกจากกัน เ, เขาก็ไปดินเป็นดินน้าเป็นน้ำไม่ได้ไปตกนรกหมกไหมไม่ได้ไปสู่ภพภูมิเปรตอสุรกายอะไรแหละพวกดินน้ำลมไฟเหล่านั้น แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรต่ออะไรด้วยนี่แต่ใจของเราท่านนี่เพราะฉะนั้นตัดกระแสที่จะให้เกิดบาปที่อาศัยกายให้เว้นกายกรรมวจีกรรมแล้วก็ตัวสำคัญคือใจเองจึงต้องให้มีภาวนามีสติควบคุมใจแล้วก็สอนใจ ให้รู้เรื่องกรรมอีกกำหนดกรรมภาวนาเจริญเมตตากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมมันก็เป็นเรื่องของกรรมนี่แหละกรรมคือการกระทาการกล่าวการพูดเป็นวจีกรรมการนึกคิดภายในจิตใจเป็นมนโนกรรม การกระ ท, ทําทางกายแบบเป็นกายกรรมนี่มาพทีรณาให้รู้เรื่องของกรรมอีกโทษทั้งหลายเกิดจากการกระทําให้เห็นโทษทีให้เห็นโท ษ, ห เ, หโทษเห็นผลระลึกถึงผลแห่งความทุกข์เกิดจากการกระทําจิตใจมันจึงจะมีความเข็ดหลาบมีความสะดุ้งกลัวที่หิริ ความละอายละอายต่อความทุกข์จะเกิดขึ้นโอตปะความสะดุ้งกลัวต่อทุกขต่อบาปทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นนี่สิ่งเหล่านี้จกว่าเป็นอุบายหรือเป็นธรรมที่จะทำให้ความไม่บริสุทธิ์ที่เชือบแฝงอยู่กับใจให้หลุดลุยออกไปจากใจ เดี๋ยแต่ความบริสุทธิ์แห่งใจต้องอาศัยธรรมะเรานี่แหละเป็นเครื่องสํารักอาศัยธรรมะคือธรรมคือกรรมรู้เรื่องของกรรมรู้เรื่องของการกระทําทําความดีทําความชั่วอความดีมีอะไรบ้างความชั่วมีอะไรบ้างดังที่เราได้ยินได้ฟังว่าความไม่ดี เป็นความทุจริตทางกายทางวาจาและทาง จ, จิตใจ่ังที่ได้กล่าวแล้วรวมภาวนาละเอียดเข้ามาจชงนว่าเอากายเป็นที่ตั้งเอากายเป็นจุดกำหนดรูปที่ว่ากายยะาตาสติสติกำหนดรูในกาย รู้ว่ามันเป็นยังไงรู้ว่ากายนี่เป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปกายนี่เป็นของไม่สวยไม่งามกายนี่เกิดขึ้นจากของศสกโปกข อ, ของเน่าของเหม็นแล้วก็กลับคืนลงสู่ความโสกโปกของเขาอีกตามเดิมพิจรารณา ท่านเรียกว่าพิจนาอาสุภะคือความไม่งามของกายเพื่อแก้ความหลงว่ามันงามพิจนาความไม่ดีคือความแตกดับทำลายเกิดขึ้นและตายไปเพื่อรบมร่างความเห็นว่ามีความยั่งยืน อันนี้เป็นเรื่องของปัญญาที่เราจะน้อมมาพิจารณาไขควรแก้ณะใดที่จิตใจของเราหลงในร่างกายนี่แหละว่ามีความยั่งยืนมั่นคงจะอยู่ไปตลอดไม่แตกไม่ดับไม่ร่มไม่ตายเป็นแล้วก็กำหนดเรื่องความตายความแตกความดับมาเป็นอารมณ์ที่เราได้รู้ได้เห็น คนอื่นสัตว์อื่นเขาล่มเขาตายเขาแตกเขาดับเขากำหนดเข้ามาตัวของเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันอนันใดที่มันติดอยู่ในความสวยความงามหลงในความสวยสดงดงามมันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็เพ่งถึงความไม่สวยไม่งามเพ่งถึงความ เปื่อยความเน่าความแปรปวนของรูปร่างกายเป็นอารมณ์เครื่องรูปของใจเพื่อแก้ความหลงว่ากายนี่สวยงามคือกำหนดเอาความไม่สวยงามท่านเดียวสุภะความไม่งามนี่เรานี่ร่วนแต่เป็นอารมณ์ แห่งธรรมะที่เป็นเครื่องแก้ธนาได้จิตของเราหลงในส่วนไหนยึดติดในอะไรก็เอาส่วนที่กลับกันคือทวนกระแสให้ทวนกระแสกลับเมื่อเห็นว่าสิ่งนี้มันดีก็ทวนกระแสกลับสู่ความไม่ดีเห็นว่ามันงามทวนกระแส กลับสู่ความไม่งามมันแปรปวนไปมันเห็นว่ายั่งยืนทวนกระแสกลับสู่ความที่ไม่ยั่งยืนนี่เรียกว่าทวนกระแสของกิเลสทวนกระแสของธรรมนี่เป็นเรื่องของปัญญาเมื่อทวนอยู่บ่อยๆพิจารณาอยู่บ่อยๆตั้มรู้อยู่บ่อยๆมันก็จะเกิดความชำนิชำนาญ เป็นปัญญาแฉมแจ้งความรู้และความเห็นประชมรวมลงเป็นธรรมที่ใจของเรารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่ใจนั่นแหละมันจะถอนความยึดมั่นถือมั่นความรู้ผิดเห็นผิดออกไปได้นี่วิธีของการประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคำว่าธรรมโมหะเว ร, รคติธรรมจาริง ทำรักษาผู้ประพฤติทรรมปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปสู่ความทุกข์ความยากความลําบากเนี่มันจะมาแก้อยู่ที่ใจแก้ที่ความรู้ความเห็นนี่แหละเพราะตัวนี่มันเป็นอุปทานเห็นผิดแล้วมันก็ทุกเห็นถูกแล้วหายทุกเป็นความสงบเป็นความสุขได้นี่ไม่อยู่ ที่ไหนแล้วฟังกันมาอยู่เรื่อยฟังธรรมะแลวก็ปฏิบัติกันมาเรื่อย่ก็ฟังของเก่านี่แหละก็ปฏิบัติไปอยางเก่าแบบเก่านี่แหละไม่มีแบบใหม่ที่ไหนหรอกทำคือสภาพที่ทรงไว้ซึ่งความจริงนี่จังทุกครั้งนนตากับของเก่านี่แหละอากเวลาไหน กี่ปีกี่เดือนกี่พบกี่ชาติบรรดาที่อยู่ในวงสมมุติ น, นี่มันก็เป็นเรื่องอนิจจังทุกครั้งอนัตตาของเก่าเรื่องศีลสมาธิปัญญาของเก่านี่เป็นบรรทัดฐานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขาดช่วงบางช่วงไม่มีผู้พระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นไม่มีผู้รู้ หนทางที่จะปฏิบัติเพื่อเข้าไปถึงความดับทุกข์ไม่รู้เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาก็สแสวงหาทางข้นทุกข์ไปตามเรื่องของความเห็นซึ่งความเห็นนั่นเป็นความเห็นผิดหาไปเท่าไหร่ก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นผู้สแสวงหาหนทางแห่งความข้นทุกข์มีมากมาย หาไม่ถูกทางจึงไม่ถึงที่สุดแห่งทุกได้มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่อุบัติขึ้นในโลกแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละการเวล า, ามารู้ความจริงแล้วจึงได้พระกาศสอนเหมือนอย่างพวกเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้แหละสอนศีลสมาธิปัญญานี่แหละศีลทานภาวนานี่มีเท่านี้เปนทางอันเอก ทางอั้นเอมกมขปฏิปทามขแปดรวมลงสู่เอกายมกคือมขอันเดียวอยังกโอโเอกายโนอายังมก โ, กมกโสตานาังวิสุทธิญาต <c oughs> ิก็มาใช้สติปัญญาที่นิทพิจารณาใน กายนี่แหละในกายในจิตนี่แหละอเพราะมันอยู่ในในตรงนี่เลยมันรวมอยู่ในกองนี่หลยกองขยะกองเนี่มันมีทั้งเพชรนินกินดามีทั้งอกองเศษของปฏิคูณต่างๆมันรวมอยู่ในนี่เพราะฉะนั้นก็ต้องมาเคลียร์มาคุ้ยมาเคลียร์กองขยะอกองเนี้แหละคือกองกายกองใจของเราอ เสียออกไปอันไหนเป็นอะไรส่วนไหนเป็นกิเลสส่วนไหนเป็นตัณหาอาวิชชาอ่าส่วนไหนเป็นความหลงความรูด้มาคุยเคลียร์แยกแยกกั น, น, นเสียไปเคลียร์มากแยกออกไปได้อันไหนมีคุณค่าก็ใช่ให้เกิดประโยชน์อันไห น, ม, น, นมีคุณค่าน้อยจะได้ประโยชน์อะไรก็ ให้ไปตามประโยชน์ที่จะได้จากสิ่งนั้นนันนี่นนเรียกว่าการมาปฏิบัติมาเจริญศีลสมาธิปัญญารวมอยู่ที่กายที่ใจของเราอียเท่านี้ไม่มีทางอื่นไม่มีทางทางรัดทางตรง ท, ง, ท ง, ง, งทางอ้อมอัน น, นหนหละหนทางต่อมรรคผลนิพพานหนทางต่อ ทางสิ้นสุดแห่งทุกข์สิ้นการเกิดแจก็บตายเวียนว่ายตายเกิดมีเท่านี้มาเจริญสติสมาธิให้ชอบเนี่ยปัญญาทินิดพิจารณาในกายในจิตของเราเนี่ยมเมื่อเรามีความ สนใจมีความมุ่งมั่นเรียกว่ามีความเพียรความเพียรพยายามไม่ท้อไม่ถอยก็จะได้สิ่งที่เราต้องการคือความหลุดพ้นจากทุกความสิ้นไปหมดไปแห่งทุกจะได้ที่ใจรู้ที่ใจเห็นที่ใจนี่แหละเดี๋ยวนี้มันยังทุกอยู่มันหลงอยู่ รู้อยู่ที่ใจเห็นอยู่ที่ใจพอสั่งงานคุยเคลื่อเพื่อจะให้เข้าใจความจริงก็คืองานภาวนางานภาวนาคืองานมากำหนดรู้ที่กายที่ใจเอาฝึกสติระลึกรู้ให้เป็นคู่ของใจให้กลมกลืนกัน ต่อเนื่องกันไม่ท้อถอยเป็นรวมกันเป็นปึกแผนแน่นแน่วแน่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างสติกับใจนัน่นแหะจึงเรียวกว่าเป็นฐานแห่งสมาธิความมั่นคงของใจเมื่อใจมีฐานคือสติสมาธิทำมั่นคงแล้วก็การวินิจฉัยวิจัยวิจาร เพ่งดูกำหนดดูกำหนดความแก่ความเก็บความตายกําหนดดูความแตกกับทําลายความแปรปวนความเปลี่ยนแปลงสเพสังคารานิจ่าสเพสังคาราทุกขารวมอยู่ในนี้รวมอยู่ที่กายที่ใจนี่มันทุกอย่างไงมันเปลี่ยนแปลงยังไง เพธมานตาติรวมลงสุดท้ายไม่มีอะไรเป็นตัวตนเป็นอนัตตาการประชุมระหว่างธรรมคืออนัตตาอนัตตาธรรมประชุมรวมลงที่ใจมันจะสิ้นสุดมันจะสิ้นสุดความสงสัยมันจะไม่มีอะไรหาความมีความเป็นอะไรไม่มีนี่ทันิงเรียกว่า เป็นความว่างมองโลกเป็นความว่างว่างด้วยการประชมแห่งสติและปัญญาลงสู่สเพ ธ, ธ ร, รมานตตาติเป็นสมมุติท้งนั้นเมื่อสมมุติจึงมีตัวมีตนถ้าไม่สมมุติให้มีตัวไม่มีตน รวมลงสู่อนัตตาหรือรวมลงสู่ความไม่สมมุติอันจึงจะสิ้นสุดทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ได้ไดอธิบายธรรมะหรือนำธรรมะมาสี่แจงแสดง เพื่อเป็นการให้น้อมจิตน้อมใจกำหนดรูปตามไข้ควรตามในเรื่องของอริยสัจธรรมหรือของจริงแห่งธรรมะคือสภาพทรงไว้ซึ่งความจริงนั่นแหละคำว่าธรรมะธรรมะ <c oughs> ความจริงของทุก์ความจริงของเหตุให้เกิดทุกความจริงของความดับทุกความจริงของข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขแต่ละอย่างละอย่างันเป็นกิริยาเป็นอาการแต่ละกิริยาแต่ละอาการรวมเข้ามาที่ความรู้คือใจกระส่านจึงประชุมธรรมทั้งหลายทั้งปวง ลงที่ใจให้ดูที่ใจนพนขว้วพินิษ์พิจารณาที่ใจปฏิบัติต่อใจด้วยความเพียรไม่ลดละในศีลสมาธิและปัญญาต่อแต่นั่นไปเราก็จะพบความจริงแห่งธรรมคือความสุขอันแท้จริง รวมสิ้นไปหมดไปแห่งทุกภายในใจิตใจตามเป็นจริงได้แต่สแสดงธรรมะเห็นว่าสมควรแก่กาลเวลาในที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณของพระพุทธเจ้าคือพุโทโธธรรมโมสังโฆรวมเรียกว่าเป็น รัตน์ไตรจงโดนบันดาลอภิบาลคุ้มครองดวงจิตดวงใจของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนให้มีความรู้ความเห็นให้มีความเพียรอันชอบไปตามหนทางแห่ง ความจริงหรือที่จะรู้ไปถึงความจริงจะเห็นมีความรู้ความเห็นไปสู่อริยสัจทางความเป็นจริงคือทุกขสมุทยัยมีโลธมักถึงที่สุดวิมุตติอ น, นิพ่านหยุดการเกิดแก่เก็บตาย ในที่สุดด้วยอำนาจแห่งข้อปฏิบัติอันชอบเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงอปันญิโกน้อมเข้าสู่ใจน้อมใจให้ยินดีในการประพฤติปฏิบัติธรรมต่อแต่นั้นไปพวกเราก็จะประสบวความสุขความจเจริญในาศาสนาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธทธเจ้า ยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมาเอวังก็มีด้วยประการัฉนีอ๋อเกือบสามทุ่มจะรับตาว่าไปเรื่อยเว้ยก็จเมืนตาว่า ไปบนละฆังราว่งร่วมกันแ ต, แต่ตรงนี้อะไรครับ้องมอาจารยน้องๆมีคำถามถามกูเหรอทำไมเขากันถามซะก่อนคำถามนี่แหละให้เกิดปัญญาดีเพราะว่ามันบางคนมันจะมีอุบายมีความลู่อะไรขึ้นมา เราไม่บางคนไม่เคยรู้พอได้ยินจากผู้อื่นก็รู้ตามอ้าวมีอะไรถามเรื่องปฏิบัติเรื่องของจิตของใจเรื่องความรู้ความเห็นเป็นยังไงครับมีคำถามนะครับคือ ถ้าเกิดว่ามีคนพูดให้เรารู้สึกไม่สบายใจนะครับเป็นทุกข์ถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่คนพูดจะมีบาปติดตัวไหมครับถ้าเขาถ้าเขาพูดดีพูดสิ่งพูดดีแต่เราไปเข้าใจว่าไม่ดีเขาก็ไม่มีบาปอะไรล่ะถ้าเขาพูดดีพูดเป็นสุภาษิต ก็เป็นบาปฝ่ายเดียวฝ่ายผู้ที่เกิดความไม่พอใจคำพูดเขาเป็นบาปฝ่ายเดียวแต่ถ้าคนพูดพูดไม่ดีพูดไม่ดียังไงก็พูดอย่างว่านั่นพูดปดพูดคาหยาพูดส่อเสียดเสียดสียุโยงให้เข้าใจผิดเห็นผิด ก็เป็นบาปไปด้วยกันบทั้งสองฝ่ายที่นี่เรื่องเราเนี่ยมันเกิดจากความเห็นผิดของเรานะคือบางทีเนี่ยไม่ได้ยินเสียงละ่ะเพียงแต่ว่าเห็นเขายืนอยู่ด้วยกันอย่างนี้เห็นคนสองคน เขาอยู่ด้วยกันไม่ได้ยินเสียงว่าเขาพูดเลยแต่เราก็ไปเข้าใจเอาเองไปนึกเอาเอ ง, อ ส, องสองคนสองคนเนี่ยคงจะพูดอะไรเรื่องของเราอพูดความไม่ดีอะไรของเราเนี่ยเราก็เกิดความไม่พอใจแล้วก็เป็นทุกข์ใจทุกข์ขึ้นมาเหมือน ก, นกันกับเรากลัวว่าเขาจะลักเขาจะขโมยของเราอื ของของเราเนี่ยของมีค่าของที่เรารักเราห่วงเอามาวางไว้ตรงนี้ที่เราก็นึกล่ะเดี๋ยวเขามาขโมยเอาของเราจะเป็นยังไงเนี่เราวางไว้นี่เราเดินไปแล้วเราก็จะขโมยอย่างไรอย่างนี้เป็นทุกข์แล้วนั่นนั่ น, น, นบาปเกิดเฉพาะเราแหละเพราะความคิดความเห็นของเรามันสร้างความทุกข์ขึ้นมา เรื่องความทุกข์เพราะเพราะคำพูดหรือไม่พูดมันเกิดจากความวิตกวิจาร์ในจิตของเราเองคือเขาพูดจริงเส้นบางบางบางทีเขาด่าเราเขาด่าเขาว่าให้เราเก็บเก็บแสบแสบนั้นนั้นเขาพูดจริง เขาพูดคําด่าพูดคําหยาบจริงทีนี้อจิตของเราก็มันก็ปพงไปตามนั้นแะละที่ไม่พอใจยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นเข้าอีกเนย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเออเขาด่าเขาว่าแต่ความเห็นของเราเนี่ยเราก็เราก็มารู้ว่าเออการว่าการกล่าว ว่าเขาว่าเขาว่าให้เราหรือไม่ว่าให้เราเขาเขาจะมีความเจาะจงว่าให้เราก็ตามแต่ในเมื่อความเห็นของเราเนี่ยมาเห็นว่าอมันไม่มันไม่มีเราไม่มีเขาไม่ไม่ไม่มีเราไม่มีเขาปากของเขาเขาใช้พูดเสียงออกจากปากนั่นก็เป็นเป็นเรื่องของเขา แต่เราเราไม่มีเราไม่มีในนั่นจิตของเรามาเข้าใจมาทำความเห็นว่าไม่มีเราไม่มีเร า, ไ ม, มเราไม่มีเขาในคำพูดคำกล่าวนั่น <c oughs> มันก็เป็นเพียงเป็นเพียงธาตุของปู่บุญจันทร์ท่านสอนท่านให้พารนาเป็นเห็นลงเป็นเพียงธาตุเสียงน่ะมันเป็นธาตุเฉยๆเสียงก็ออกจากธาตุ คือปากผู้ที่พูดก็เป็นธาตุเป็นธาตุดินธาตุ น, านา้าก็เป็นรูปเป็นรูปประธาตเสียงเนี่ยเขาเป็นเสียงธาตุตามในในคำวิปัสนาภูมิที่ท่านสวดศรัาทธาธาตุโสตธาตุหหก็เป็นธาตุ เสียงกับเป็นธาตุเนี่ยมันทีา น, นาเป็นธาตุไปแล้วได้่ยมันไม่มีตัวมีตนในนั่นมันก็ไม่ทุกข์เลยไม่ทุกข์แต่ทางโอ้ยมีเรามีเขาเอาเนี่ยเป็นไฟขึ้นเลยทุกข์ที่นี่กันบางทีบางทีมันมีสิ่งที่เราทําผิดมันเป็นความผิด มันเป็นสิ่งที่เราทำผิดทาผิดทางกายหรือพูดผิดทางวาจาแล้วก็กลัวว่าคนนั่นเขาจะนำความผิดของเราเนี่ยไปเปิดเผยไปนทนนาต่อไปก็เลยเป็นความทุกข์เพราะความคิดอันนี้อกอกเพาความคิดไม่ยอมรับผิดเพราะความคิดที่จะปกปิด ความผิดของตนเองก็เลยเป็นทุกข์นี่นจะตอมใจตายได้เพราะเพราะความคิดอันนี้แหละเพราะความคิดไม่ยอมรับความจริงเ อ, อ้มตอบไปยาวเลยครับขอถามอีกข้อหนึ่งนะครับคนที่ยืมสิ่งของหรือว่าเงินทองของคนอื่นแล้วไม่ยอมคืนนะครับ เขาจะมีบาปไหมครับหรือว่าแล้วบาปที่ติดตัวเขาจะเป็นอย่างไรครับก็บาปนะ้วบาปที่เขาไม่ยอมคืน <laughs> บาปที่เขาไม่ยอมคืนทําไมเขาถึงไม่ยอมคืนให้เพราะเขาไม่มีเพราะเขาไม่มีจะคืนให้บางอย่างอ่ะเช่นว่าเอายืมเงินเขาไปแล้วยืมเงินเขายี่สิบห้าสตางค์ ยืมเงินเขายืมเงินเพื่อนยี่สิบห้าสตางค์ไปยืมไปใช่แล้วก็ว่าจะคืนอยู่หรอกแต่ว่ามันไม่มีหาอย่างไงก็ไม่ได้หาอย่างไงก็ไม่ไ ด, อไไได้อันนี้ยกอุท่าหอนประกอบอีกเรื่องหนึ่งตอนลงตาเป็นเด็กอยู่เนี่ยตอนวงตาเป็นเด็ก อ, ยนะ อ, า, กอายุก็ราวแปด เก้าปีเขายังไม่ยังไม่ออกยังไม่จบสั้นกว่าสี่มีวันหนึ่งพอดีไปไปถวายเพนไปถวายเพนพระที่บ้านวัดที่บ้านอะเอพระตีกองเพนอะแบมันเป็นเวลาพระท่านใกล้จะสันเพนพวกชาวบ้านก็นำข้าวปลาอาหารไปถวายตอนเพน ก็ไปกำมูพวกผู้หญิงรุ่นรุ่นเดียวกันไปเพนที่วัดพอไปเพนถวายอาหารพระท่านสันเสร็จให้สิ้นให้พรพอเลิกจะลงศาลาวัดมาที่นี่มันมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งอยู่ใกล้ๆทางเข้าวัดบ้านเพื่อนพวกผู้หญิงที่ บ้านใกล้ใกล้กั น, กนเป็นหมู่เป็นเพื่อนกันเขาก็เลยชวนเขาชวนว่าเออไปไปเราเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเขาชวนที่นี่เราก็ไปเข้าใจว่าเออเขาจะซื้อก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงเราเนี่ยเราไปเข้าใจอย่างนั้นเขาชวนไปกินก๋วยเตี๋ยวเข้าใจว่าเขาจะเขามีเงินเขาจะซื้อให้เรากินด้วย พอไปก็ไปสั่งกินสั่งกินเลยทำยังไงมันต้องต้องจ่ายของใครของมันนี่ก๋วยเตี๋ยวก็ถ้วยละห้าสิบสตางค์ทำไมน้ะก็เลยเราก็เออแก้ปัญหาที่นี่ก็นึกได้อ่าโยมพ่อซื้อต้นมะพร้าวไว้ต้นหนึ่งที่บ้านของอคนเขาใกล้กลวัดนั่นแหละก็นึกได้เออมีมะพร้าวอยู่ต้นหนึ่ง เดี๋ยวเราจะไปซอยมะพร้าวไปขายมะพร้าวขอลูกแล้วห้าสิบสตางค์สำหนั้นแล้วมะพร้าวไปขายที่บ้านที่เขารับซื้อมะพร้าวนี่ก็จะเอาเงินมาให้ค่าก๋วยเตี๋ยวเขาก็แก้ทุกไปแก้ทุกในใจไปได้ <c oughs> เพราะว่าถ้าไม่มีเงินให้เขานั่นกลัวว่าเรื่องนมันจะไปถึงยมพ่อแล้วก็ถึงพ่อเพราะว่าพ่อเนี่ยถ้า ถ้ามีอะไรมันมันผิดอย่างนี้ใจจะดุว่าบางทีก็ตีก็ปลอบใจตนเองก็สบายใจเสร็จพอกินกว๋วยเตี๋ยวก็ไปเลยล่ะเดินไปที่ต้นมะพร้าว <c oughs> <c oughs> เดินไปที่ต้นมะพร้าวคิดว่าจะไปเอาไม้ไผ่สอยเอามะพร้าวแห้งแต่ไปมันก็ความเป็นเด็ก ไม้ไผ่ไม่ถึงยื่นไม้ไผ่ขึ้นไปมันก็ไม่ถึงลูกมะพร้าวเอาทำยังไงมีต้นมะม่วงอยู่ใกล้ๆเอาขึ้นต้นมะม่วงมีปัญญาอยู่นะขึ้นต้นมะม่วงแล้วค่อยยื่นต่อไปค่อยื่นไปมันแรงเราไม่พอค่อยื่นไปลําไม้ไผ่มันก็ล้มลงพยามาขึ้นมาก็ล้มลงสุดท้ายไม่มีทางไม่มีทางเอามะพร้าวแห้งได้ ทุกใจอยู่ขนาด น, น, นี้ปิดทำไงขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ซอยก็ซอยไม่ได้ปิดเงียบเฉยให้สองวันเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวก็ไปทว ง, ย ม, ทงยมพ่อไปทวงโยมพ่อก็จ่ายให้เขาแต่เสร็จแล้วก็มาสอนมาสอนลูกสอนว่าไม่ลูกไม่ลูก ความเป็นอยู่ไม่รู้ความมีหรือไม่มีของตนเองอยัไม่รู้ความ เ, าเสื่อเสือแพ่แกพี่แก่แกนอ้องกิจยา ก, ก๋วยเตี๋ยวก็ไปกินแต่ตนเองคนเดียวถ้าจะกินมันก็ต้อ ง, ต, องต้องหามามเงินมีทองไปซื้อก็ต้องมาแจกแบงกันจินพี่น้องในบ้านในเรียนด้วยกัน พ่อก็อสอนแต่ไม่ไม่ตีหรอกกลัวจะถึงการเปิดเผยความกินมันเป็นทุกข์พะแรงรในในใจของเรานะี่นี่คือบาปบาปในใจแต่พ่อเสร็จแล้วก็ยมพ่อใช้ให้ไปแล้วล้วก็สบายอันนี้เป็นอุทาหรณ์เปรียบเทียบอันหนึ่งแล้วอันที่มันไม่มีให้จริงๆที่เนี่ย ที่ที่ว่ายืมยืมเงินกันยี่สิบห้าสตางค์สุดท้ายก็จนตายตายจากกันพอตายแล้วกิตเนี่ยมันมันเป็นทุกข์อยู่นะมันเป็นทุกข์มันรู้ว่าไม่ได้คืนเงินให้เพื่อนก็เลยพอตายแล้วก็ไปเกิดเป็นวัวไปเกิดเป็นวัวในบ้านเพื่อน <c oughs> เกยเป็นวัวไปใช้เขาในทำงานใช้เขาเกเป็นวัวเขาเอาลากเวียนลากอะไรทำไมทิงลูกคือเพราะคือพอตายจากวัวแล้วก็มาเกิดมาเกิดใหม่มาเกิดเป็นคนจำได้จำเหตุการณ์จำชาติได้ก็มาเล่าโอ้ยแต่ก่อนเคยเป็นเพื่อนของ พ่อใหญ่เนี่ยติดเงินอยู่ยี่สิบห้าสตางค์ตายแล้วเขามาเกิดเป็นวัวให้เจ้าของเงินใช้ยอยู่จนตายแล้วตายจากวัวเขามาเกิดใหม่เนี่ยมาเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องการติดนี่ติดสินกันที่ไม่ใช่คืนแล้วมันมีอีกอันหนึ่งปีนั่น ที่ป่าชาวัดดอนกรุงเทพหลวงพ่อไม้มีหลวงพ่อไม้มีหลวงตาหลวงพ่อวิโรธหลายองค์ทุกาจารย์พรอดีคุณโยมที่กรุงเทพนั้นเขาเป็นประธานเป็นประธานมูลนิธิของป่าชาวัดดอนเ้าก็เรนนิมนต์ไปทําบุญอุทิดให้พวกที่ตายอดีนิมนต์ไปก็เลยไปไปพักที่ป่าชาเขานั้นแหละ พักไปภาวนาในป่าชาเขา ท, ที่ของซุยเขาประสาวัดดอนกรงเทวที่หลวงพ่อหม่ท่านหลวงพ่อหม่ท่านสัมผัสเร็วหลว ง, งพ่อหม่ท่านโอ้ยมันมีคนสองคนมาหาบอกว่าทำยังไงเราจะจะใช้นี่กันได้มันมีเพื่อนกันสองคน ไปยืมสร้อยยืมสร้อยทองคำยืมสร้อยคอนี่แหละยืมสร้อยไปขายก็ไม่ได้ตั้งใจจะโกงอะไรหรอกยืมสร้อยของเพื่อนไปขายไปใส่นี่มันเลยมีสามคนขนานมีสามคน <c oughs> มีเจ้าของนี่มีเจ้าของทองคำมีผู้ที่ยืมสามคน ยืมส้อยเขาไปแล้วก็ยังไม่ได้ใช่คืนให้เขาก็ก็ตายทั้งสามคนละ่ะทั้งทั้งเจ้าของเงินทั้งเจ้าของทองทั้งผู้ที่ยืมเงินยืมทองอแล้วก็มาถามท่านจะทำจะทำยังไงจึงจะใชหนี่กันได้โอ้ยมันก็ใช้ไม่ได้ล่ะมันยังไม่มีรูปมีร่าง มันยังเป็นจิตเป็นใจอยู่อย่างนี้จะไปใช้กันยังไงผมเพ่อใหม่ก็แนะนำให้งวอแล้วไปเกิดซะก่อนค่อยไปใช้กัน <c oughs> อันนี้มันมันเรื่องเรื่องเป็นบาปอ่ะบาปบาปกับยืมแล้วไม่คืนสิ่งของให้อเจตนาก็ดีหรือด้วยการลืมก็ตามมันจะไประลึกได้เวลานั้น เพราะฉะนั้นถ้าว่าจะคืนให้ก็ต้องคืนให้เขาหรือไม่ได้คืนเพราะเหตุอะไรก็ต้องพูดกันให้เข้าอกเข้าใจกันจะตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่จึงจะพรอนผันบาปกรรมแม้แตไ่ไม่เป็นเรื่องยืมและไม่คืนมันมีเรื่องหนึ่งมียมคนหนึ่ง ก็เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตนะอยู่เมืองไทยเรานี่แหละอายุแก่อายุจะเข้าเกศสิทิที่นี่เป็นทุก์เป็นทุกจิตใจนี่เศร้าออหมองอมแทบว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นทุกคือสมัยเป็นเด็กนักเรียนที่บ้านนขอ เขาขุดบ่อในวัดเขาเคยขุดบ่อน้ําสร้างน้ําสามบ้านเท่านี่แหละขุดบ่อใช่น้าดื่มน้ำช่ายเนี่ยแล้วมียายคนหนึ่งแกฝากเงินสามสตางค์ฝากให้เด็กเด็กนักเรียนนะที่ไปเรียนอยู่วัดฝากให้ไปร่วมทําบุญในขุดบ่อน้ําที่แดงเนี่ยในคอมเป็นเด็กได้เงินสามสตางค์ไปก็ไปซื้อขนมกิน แต่ตอนเป็นเด็กซื้อขนมกินตอนนั้นก็ยังไม่รู้อะไรเพอใหญ่โตขึ้นมารู้รู้เรื่องแต่ไอเรื่องนั้นมันก็ฝังอยู่ในใจเรื่อยเรื่อยมาจานเี่ยอายุจะเกจสิบเป็นทุกข์เป็นร่อนก็าบาปก็าบาปว่าอนนไอเงินใหญ่ให้ไปสร้างบ่อน้ําแล้วไปซื้อขนมกินสามสตางค์ก็เลยมานิมนต์หลวงตา มันหลวงตาจารย์มันครูบาอาจารย์หลายองค์ไปที่ที่บ้านเขาที่เขาทธุรกิจเขาก็ไปเล่าเรื่องนี่คือเขามาเล่าเรื่องนี่แหละให้ฟังก่อนก็เลยเออาอาจางก็ไม่ยากอะไรนี่มันครูบาอาจารย์นี่มันสงไปครบสงเสียงไปก็ไปทําบุญถวายให้แก่สง น, น, นั่นแหะแทนอนนั่นแหละที่ สามตตางที่เอาไปซื้อขนมกินค่อยค่อยสบายค่อยมีความสุขคืนมานเป็นเรื่องอย่างนั้นนะเรื่องเรานี่มีอะไรอีก มันมันยังไม่ให้แนละ้วเพราะมันยังไม่ได้ของคืนไปให้กั น, นอไ ม, ไม่ไม่ได้ไม่ได้เพราะมันมันเป็นผลมาจากนั่นแล้วมันเป็นผลมาจากของหยาบแล้วไม่ได้สิ่งเราเนี่ยมันเพราะถะ้าไหนแก่ต้องแก้กันตั้งแต่รู้รู้กันเนี่ยนี่แหละเออ ตอนตายลรวจะคอยเออไม่ให้เป็นนี่เป็นสินเดอ้อไปเคาะกระโลงอะไมไม่มีผลไม่มีผลถูกพันกันอย่างนั้นแหละเพราะฉันต้องต้องต้องโลจนาให้รู้กันตั้งแต่อย่างอยู่ <c oughs> มีอะไรอีกไหม นี่ก็ลงพรรมะ